สามสิบเจ็ดมุพยเยดระหว่างเดินทางโดวโลุเขาขับรถจักรยานยนตน์อัตโนมอเตอร์เบนค์นัดพุตาดุเขาขี่จักรยาน อตาตโน่ไซเคิลต่อกูตาุเขาเดินอนตนน ด, ดุตาเขาไปโดยเรือใหญ่อตนวดลเวตาเขาไปโดยเรือ อ, อนตนโบลเวตาุเาขา ว, ว่ายน้ำอนตนยีตา ที่นี่อันตรายไหมคะอกะดาระมดมุนดาการโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะวันเถิดิกาฮิตเชกเฉยดัมพระมดกะระมะมันอันตรายไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนราตรีลว์วากิ้งกิเวลดัมพระมดกะระมะเราหลงทาง เมมูดาริตับไปพอยามูเรามาผิดทางเมมูร้องโรด a d ว o v e well t มูเราต้องเลี้ยวกลับทางเดิมมันอืมแวในกิจรกาลีจอดรถได้ที่ไหนคะวันดีนี้อีกกระได้แยกกระไปากชคยอชูที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ อีกระะกระได้ยนะังกระได้หน้าบันไดในพักเชอประดิษฐ์สมุนดาที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะอีกกระดะบันไดนี้ยังเท่าไหร่ปั a เชคุณเล่นสกีไหมคะมีรู้สกีงจงจังต่อระคุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะไปที่เวลเลนด์กูไมีรู้สกีลิฟต์นี้วาอะไรา ที่นี่มีส ก, กีให้เชาาา่าไหมคะอีกด้สกีลูอัดเด็กกสกอว์จา